ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดประสูรเรื่องเรียกว่าทุติยภาษาภารสูตรคือประสูรที่ว่าด้วยทศพุลยานสิบประการและวุดเวสาราชยานสีประการ ลักษณะของพระสูตเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ส่งแสดงและซึ่งสถานที่ที่ส่งแสดงนั้นก็เป็นพระเชตวันเหมือนกับพระสูตรก่อนและมาสังเกตว่าคนฟังก็คงคนละพวกกันหรือพระที่ฟังก็คงคนละพวกกัน แต่ข้อความทั้งหมดก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเหมือนกันในบางตอนก็ต่างออกไปในบางตอนพระผู้มีพระพเจ้ารับสั่งว่าลูกกรรพิสูทั้งหลายสถาคตประกอบด้วยทัะสะพลยานสิบประการและจะตุวจตวเวสารชยานสี่ประการ จึงได้ปฏิญาณสถานะเป็นโจก ค, คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้เลิศในโลกประเสริฐในโลกแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกทศวรรยานนั้นเป็นคุณสมบัติส่วนพระองค์เช่นเดียวกับจตุเวสารชยาน ซึ่งก็หมายความว่าเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสืสรูก็มีฐานะเป็นผลแล้วก็เป็นพระพุทธคุณก็ดังได้อาธาิบายขยายความมาแล้วใน ว, วันก่อนโน้นรับสั่งต่อไปว่าบรรลือเสียนาฏในท้ำกลางบริษัททั้งหลายทรงประกาศพรมจัก ให้เป็นไปว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความดับไปแห่งรูปดังนี้เวทนานี่เป็นเหตุเกิดของเวทนานี่เป็นความดับของเวทนาดังนี้สัญญามีความเกิดของสัญญานี่ความดับของสัญญามีสังขารนี้ความเกิดขึ้นของสังขารนี่ความดับไปแห่งสังขาร แล้วก็นี่วิญญาณนีความเกิดขึ้นของวิญญาณนีความรับไปของวิญญาณซึ่งตอนนี้ก็ได้อธิบายโดยพิสดารมาแล้วเช่นเดียวกันในช่วงต่อไปรับสั่งว่าภิสูนทั้งหลายเวทนี้ปัจจัยนี้มีอยู่วันนี้ย่อมมีอยู่ เพราะว่าการมังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายผลนี้จึงมังเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อปัจจัยทั้งหลายไม่มีอยู่ผลนี้ย่อมไม่มีอยู่เพราะการดับแห่งปัจจัยนี้ผลนี้จึงดับข้นี้คือเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณ เป็นยานเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปแล้วก็สงสรุปนะก็ถือว่าป็ยาณใหญ่ของทุกตั้งมวงเกิดขึ้นโดยอาการอย่างนี้แล้วก็ย่อมมีด้วยระการอย่างนี้แต่้นก็สรงแสดงในสระดับเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนหมายความวัสูตรของ ปฏิจจสุบบาทก็คือจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะต้องเข้าใจว่าในความเป็นปฏิจจสุบบาทนั้นกลยตัวเหตุมันจะมีอยู่สามาวิชาลิเ น, นดิเทศปัญหาอุปาทานเป็นปัจจุบันในเหตุแต่ในขณะเดียวกันในสายดับ มันก็มีวิชาเป็นเหตุแล้วก็จิตที่ปราศจากตัณหาอุปาทานก็เป็นเหตุที่ปรากฏในปัจจุบันหมายความมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระนุตระสมาสมบทียาแล้วก็ทรงเกี่ยวข้องกับอายตนาผัสสะเวทนามาก็เรียกว่าทุกวันแหละ แปลว่าพระภทยนั้นปราศจากตัณหาปราศจากอุปาทานการมองโลกของพระอริยะกับของพุทธชนจึงต่างกันโดยเงื่อนไกลากก็คือรู้กับไม่รู้มหมายความเพราะไม่รู้จึงมองเป็นอย่างหนึ่งที่วิปลาสคลัดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงพรู้มันก็มองไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งก็ยุติโดยเหตุผลและความดีลองพูดถึงกระบวนการเกิดก่อนกระบวนการเกิดจะลืมว่ามันเป็นการเริ่มต้นจากกิเลสคืออวิชชะยกตัวอย่างอย่างในกรณีของเอาอไรดีละ่ะเอาอาคติก็ไ้ อาการนั้นกําลังเป็นปัญหาใหญ่ถามว่าใหญ่อยู่เมื่อไรมันก็ใหญ่มาตั้งนานแล้วคือหมายความว่าตราบใดที่ชาวโลกยังมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอยู่และความรู้สึกเป็นเราเป็นเขานั้นมีความเข้มข้นมีความรุนแรงอาการของอาการก็จะปรากฏแพร่หลาย เวลาจะหาข้อยุติคนเหล่านั้นก็อยู่ที่เขาเกาะกลุ่มก็พูไหนเขาเกาะกลุ่มอยู่กับพวกที่เขาชอบก็เป็นพวกเดียวกันเป็นวรรณะเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันหรืออย่างบ้านเราในขณะนี้ก็มีสีต่างๆเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงข้อความความเป็นพวกเดียวกัน พอถึงพวกเดียวกันนั้นมันก็จะใช้แนวฉันทากติคือความลำเอียงเพราะพวกเดียวกันผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดก็ว่ากันอย่างนี้แล้วก็แก้ไม่ได้แต่ทั้งสองขวายนั้นอธิบายได้แล้วก็ในพวกตัวเองก็จะเชื่อกันเห็ียคล้อยตามกัน ในพวกคนที่ตรงกันข้ามเขาก็อธิบายได้แล้วก็พวกเขาเองก็จะเห็นคล้อยต่างกันมันก็ทมให้นึกถึงเรื่องของนิทานีนิศสเรื่องสุนักหางด้วนเราเห็นว่าสุนักตัวหนึ่งก็ไปติดกับดักแต่ก็ถูกหางขาดก็ต้องการจะลดผมด้อยของตัวเอง ก็คุยโมโอดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีหางมันรุงรังได้เกินลำบากได้เกินไปไหนมาไหนมันไม่คล่องตัววันนี้สบายแล้วพอหางออกไปได้มีความคล่องตัวสูงมากก็ชักจวนแสวงหาพวกเพื่อจะให้ตัดหางตัวเองก็หมายความาพอเป็นหมาหางล้วนกันมากๆมันก็พวกหางล้วนก็ดีในหมู่หางล้วน ถาคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ปัญญาหมายความมาสุนักเหล่านั้นไม่ใช่ปัญญาพิจารณากอจะคล้อยตามปฏิบัติตามแล้วก็ไหลาตามไปปริมาณของสุนักหางด้วนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประเด็นบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ใช้เหตุผลแต่ว่าใช้ความเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผล พอสุนักผู้ใหญ่ตัวหนึ่งได้ชี้แจงอธิบายให้เกิดความเข้าใจในสนุสุนักมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหางด้วนกับกลุ่มหางดีกลุ่มหางดีนั้นมันเกิดขึ้นจากปัญญาพินิจพิจารณาเชี่ยวเชียงสอบผ่านมองโดยเหตุโดยผลย้อนอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นการชี้นำที่ถูกต้องของผู้เป็นประมุก สุนักเหล่าอื่นก็เห็นตามค่อยตามและปฏิบัติตาแต่ว่าสังคมสุนักช่วงนั้นมันก็กลายเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหางด้วนกับหางไม่ด้วนต่าควายต่างรู้สึกว่าตัวเองดีเป็นถูกต้องเป็นแต่สินใจไม่ผิดพลาดเพอบางขวางรากอย่างลึกลงไปในการที่จะยอมความกันมันก็ยาก ถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองของเราพอตีสวัสดิโลกเมื่อร่วมร้อยปีปี น, นี้มันมีลทัทธิคอมมินิสต์เกิดขึ้นแต่คนในโลกส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเขาก็มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นด้วย แล้ว ก, กลายเป็นแกนนําในขณะเดียวกันข้อพยายามที่จะให้คนอื่นหเห็นตามตัวเองเมื่อความไม่อมยอมเห็นตามก็เกิดกระบวนการก่อการร้ายคอมมินิต์ขึ้นมาพยานจะบีบบังคับให้คนอื่นเห็นตามตัวเองเท่านั้นเองพอเห็นตามตัวเองตัวเองก็ได้สมัครพรกพวกได้บงการได้สั่งการมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมีอานาจเกิดขึ้น อิร่าพการะเกิดขึ้นแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแก่ตัวเองและก็วพวกคนตัวเองจนกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศนั้นๆแต่ก่อนมันก็เยอะนะเวลานี้ก็ทดลอยถอ ย, ถอ ย, ถอยลงไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันเริ่มใช้เหตุผลเริ่มใช้สติสัญญามาคิดพิจารณาเทียบเคียง ก็เห็นว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องมนุษย์ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมนุษย์จะถูกจํากัดจํกเขี่ยวไว้ด้วยความเชื่อของผู้นำและผู้นำก็ทำตัวเป็นคนฉลาดอยู่คนเดียวคนอื่นก็เหมือนสัตว์ที่ถูก้งังผู้นำว่าไปทางไหนก็ไปกะเขา ได้ผลประโยชน์อะไรก็ไม่เคยได้คิดอะไรว่าโลกในลักษณะ น, นี้มันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เราย้อนกลับไปที่จิตก็แสดงว่าคนประเภทที่ไปเห็นดีเห็นงามกับความไม่ถูกต้องที่พว ก, กตัวเองก็ททำลงไป แล้วคัดการต่อต้านการกระทําที่ถูกต้องโดยการกระทำของพวกอื่นซึ่งตัวเองไม่ชอบพพวกเขาก็จะมีฉันทากติในคนที่เราชอบแล้วก็เมื่อยอมจําน้นไปแล้วโมหกติก็เพิ่มขึ้นความลำเอียงพระหลงก็เพิ่มขึ้นไม่ได้คิดไม่ได้ใช่เหตุผล สมัยที่คอมมิวนิสต์แรงๆก็มีพรกคพวกพักฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่เยอะก็ เ, เรียกมาคุยกันที่วัดมาก็ตั้งหลักให้คิดว่าสมมติว่านะสมมติว่าตามามีเงินแล้วก็แจกให้โยมไปนคนละพันบาทแล้วก็สิบวันนักมาพว ก, กันโยมคิดว่าเงินจะเหลือเท่ากันไหม แกบอกไม่เท่ากันถามว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นเอาเงินพันบาทไปซื้อนี่มันจะเหมือนกันไหมแกบอกไม่เหมือนกันยงคิดว่าทุกคนจะมีเงินเหลือกลับมาไหมแกว่าไม่แน่อาจจะไม่เหลือมันเลยก็ไดนะ้นี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการแบบคอมมอนิสต์คือทำมากรุตวนเท่ากัน แต่ปัญหาว่าในวงสาคนญญาตของเราในโจนเหมือนกันเดเวลายาติคนหนึ่งเดือดร้อนญาติคนหนึ่งเจ็บคายได้ป่วยและคนหนึ่งตายไปแต่ละคนก็พอมีอยู่มีกินได้กถามว่าใครจะช่วยเหลือคนป่วยใครจะช่วยจากการสกคนตาย ใครจะช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ประสบ ป, ปัญหาเราก็ไม่อธิบายอะไรรเราก็ตั้งคำถามถามไปอย่างเงี้ถามไปด้เรื่อยเนในที่สุดแต่ละคนก็นิง่งแล้วก็ลูขึ้นกราบแล้วก็แยกยาก้ยาย ก, กันไปคิดยังไงก็ไม่ทราบนะก็คิดยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าที่เขาตอบเนี่ยก็แสดงว่าเขาจริงที่เขายึดถือมากกี่ยวกับการฝืน ถึงกฎธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้มีเฉพาะอย่างใดอย่างนี้งแต่ซึ่งเราจะเห็นว่าความคิดในแนวนี้เช่นกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งนั้นเป็นการมองคนที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นคนเลวทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในตรงนั้น จะนั่งมองจากขอคอยงาช่างชีพิธที่ถูกคนอื่นเรียบร้อยดย้วยตัวเองไม่รู้ด้วยธรรมะคนเลืกตั้งกันยังไงก็ต้องทําอะไรบ้างลักษณะอังคารประโยกของความเป็นสังคมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงสังคนไทยเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องโอบ อ, อ้อมอารีเอเื้อเผื่อเผื่อแผ่ช่วเหลือเชื่อใจกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แล้วก็ผู้น้อยก็จะพึ่งพาผู้ใหญ่แคนเท่าคนแก่ก็จะพึ่งพาพึ่งพาคนที่มีกำลังว่าในการช่อเหลือกันนี่มันเป็นเป็นเรื่องที่งดเว้นไม่ได้แต่กฎหมายเกิดบังคับหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ ง, งานศพของพ่อแม่ก็ไม่ยกเว้นไว้ให้ แล้วทำาเมอพ่อแม่เกิดตายในช่วงที่ช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งทำย่างไงเห็นไหมนี้คือกระบวนการที่เริ่มต้นที่ความคิดผิดมาความเริ่มต้นที่อวิชชาแล้วมันก็แหว่งมาตลอดเส้นทางแห้ะก็เรียกว่าคว่างงคว่างงาไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆโดยจะพังงี้เกลือกติ ว่าเราเริ่มที่ฉันถากติแสดงว่าเราก็มีโมหากติเพราะว่าเราคล้ายชอบพอในฐานะที่เป็นพวกกันนี่เราไม่ได้มองที่การกระทำของเขาแต่เรามองว่าคนพวกนี้เป็นพวกเราผิดไม่รู้ว่าพวกเราก็ต้องผิดเก็เรียกว่าเริ่มคิดก็ผิดแล้วโมหากติก็เข้มข้นขึ้น เรามาใครไม่เห็นตามไม่คล้อยตามพวกของตัวเองก็คือโทสะกับิตบางครั้บงบครบเราก็มองเห็นว่าความคิดความอ่านของพวกเรานั้นมันพล่องมันมีจุดอ่อนมันมีจุดบอดแต่ตอนนั้นมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าตกกระไดพรอยกับโจทย์เลยก็ต้องคล้อยตาม เพราะกูอำนาจอิทธิพลของพวกด้วยกันตัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเด็กแต่ไมผ่ผลุทายมันเริ่มที่รักแต่ ว, ว่าอคติมันมาหมดทีนี้สมมติว่าเริ่มที่โทสะอคติเริ่มที่อิเลประเภทโทสะคนคนนี้เราแบ่งแยกว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ญาติเราไม่เกี่ยวข้องกับเรา แกทำดีเราก็บอกว่าไม่เดือดแกทำชั่วเรายิ่งระบายสีให้ชั่วมากยิ่งขึ้ น, นทำดีมากถ้าเราจําเป็นต้องยอมรับเราก็ทำดีทดีเล็กน้อยพูดเฉพาะเล็กน้อยแล้วก็สแสดงโบหะคติเพิ่มไปนี้อาการที่สแสดงออกอย่างนั้นมันค่อนข้างจะตรงๆหรื อ, อคนก็มองเห็นว่ามั้นบิดเบือนข้อมูล ที่เป็นจริงคนคัดทานแกก็เกิดโทสากติทีนี้ถ้าหากว่าแกไม่รักษาหลักการความเชื่อของแกเอาไว้วพวกมันจะเล่นตลกห ล, งลังอ่ะหัวเสวฝักฝ่ายวายต่ตรงนั้นข้ามเขาเกิดเกิดพยาคติเอาอีกละ่ะเบื่องที่โทสากติมันก็ปล่อยครบชุดอีกล้ กับพวกตัวเองนั้นเป็นฉั้นถากติกับพวกคนอื่นเป็นโทสะกติทาไปรำมาก็ไหลกลับไปหมดเลยหมดทั้งชุดเอาสมมติว่าเริ่มที่โมหะกติอันนี้ก็คืออิชานะเริ่มที่โมหะกติเราไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความไม่ถูกต้อง มันก็ใช้เนื่องไขาทางสังคมอาศัยความเป็นพวกเดียวกันกับไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเป็นชั้นวนที่จะจุดประกายความคิดของคนเหนน่านคิดมาแน่สุดแม้จะเห็นผิดอย่างเรายกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องนอกแ ก, นะกเท้านะยกมันกไกลๆหน่อยนอกแกะเ้าสองตัวที่ท่านเล่าเอาไว้ว่า เป็นพี่น้องกันก็กำลังสอนบินพอดีเกิดพายุลมโัวด้วนมันพัดถูกรังแล้วก็นกสองตัวก็กระจายออกไปไอ้ตัวหนึ่งก็ไปตกอยู่ที่กองอาวุธของโจรโจรก็ตั้งให้ชื่อว่าสัติกุมพระเพราะว่าไปตกอยู่บนกองอาวุธ น้องตัวหนึ่งก็ไปตกอยู่ที่อาสมฤษีทำกลางกองดอกไม้เขาก็เรียกอ่ปกปุพกกะแต่ว่าดอกไม้นะเราทั้งสองตัวก็ได้ศึกษาสมมติเรียนรู้จากพวกฤษีกับพวกโจนแต่ด้วยมโนธรรมสำนึกของของสิ่งมีชีวิตตั้งหลายเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่เพราะเมือนเริ่มที่ความกลัวกับความรักหมายความมนุษย์ตัวหนึ่งก็รักฤๅษีแล้วก็เกรงใจฤๅษีมนุษย์ตัวหนึ่งก็รักพวกโจรแล้วก็เกรงใจพวกโจรคนโจรพูดอะไรก็ถูกหมดคนนี้ฤๅษีพูดอะไรก็ถูกหมด ทีนี้ถ้าเราเกณ์ของคนเข้าไปวัดว่าเออฤศีกับโจรเนี่ยมันใครน่าจะเชื่อถือมากกว่ากันในนอนโจรก็คงไม่ชั่วทั้ง100ร้อยเปซหรอกฤศีก็คงไม่ดีทั้งร้อยเปแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยจะสูงกว่าไม่ดีในขณะที่โจรเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ดีก็จะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ดีแต่เราเป็นการเชื่อที่หมองหลวทั้งสองฝ่าย ทำไมโลกทัศน์ของนกสองตัวเนี่ยมันต่างกันเจ้ากรุภารสีเสด็จล่าสัตว์แล้วก็หลงทางเหน็ดเหนื่อยก็มานอนหลับอยู่กลายชนักของโจร น, นกสติกุพาพอเห็นก็บอกพวกโจรเลย ให้่าให้แยง่งให้ปนโอซั์แล้วก็ฆ่าทิ้งเสียอะไรต่างๆก็พูดดูเดือดเดือดพล่านนังนั้นพระเจ้าพาราสีได้ยินข้ากว่าตกพระไทยเมื่อก่อนนึนกว่าเป็นคนพูดพอหันไปดูเป็นนกโอ้ทำไมเป็นนกแต่มันดุร้รายอย่างนี้ในสุดก็หนีจากที่นั้นไปถึงอาสมของฤาษี นกปูประกาซึ่งก็เป็นตัวพี่หรือตัวน้องก็ไม่รู้นะแต่มาความนกสองตัวนี่เป็นพี่น้องกันก็อตอนรับเชิญให้เสด็จเข้ามาจะเวยดื่มน้ำรับประทานอาหารมีผลมากลากไม้ต่างๆก็บอกให้เวยราชาก็เกิดสงสัยว่าเอ็นกสองตัวเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ทำไมมันต่างกัน่กัน ว่าสอบถามนกบุกปะกะนกบุปกะก็บอกว่าที่จริงนกปติกุพพ่าเนี่ยกับข้าพเจ้าเนี่พี่ก็ต้องกันแต่เขาจเจริญเติบโตมาในสำนักของโจรเขาก็คิดแบบโจรเขาก็ทําแบบโจรเขาก็พูดแบบโจรแล้วก็พอใจชอบใจในตัวโจร วพา น, นกสติกุมภาเราก็จะเห็นอาการอาการของอคติที่มันเริ่มมาจากฉันทากติกับพยาคติก็ทำให้มันเกิดโมหคติแล้วก็เมื่อใครเห็นไม่ตรงตกับแกแกก็เกิดโทสะนกสติกุมนกอุปกา แกก็ไม่ได้เอียงคือหมายความว่าแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยมันโน้มน้อมเข้าหาความเชื่อของฤาษีเพราะความรักในฤาษีความศรัทธาในฤาษีแล้วแกก็มั่นใจนะฮะถ้าพูดถึงคำบอกเล่าอะไรต่างๆแสดงว่าแกก็จาแดกแกกแยะไรได้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นมันกิเลสข้อไหนก็ไม่รู้แหละข้อไหนก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการของกิเลสแล้วกองทุกขั้งบวมันก็เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้พนักต่างๆก็จะติดตามกองโจรไปอีกเยอะแต่ดันฤทสีมันก็สงบเย็น เพราะฉะนั้นถ้าเรามองกระบวนการของเหตุปัจจัยเราจะเห็นว่าปัญหาความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความดีความชั่วของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการของเหตุปัจจัย่ังที่มีการพูดถึงว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามจะมีส่วนอย่างสาคัญที่จะดึงคนให้ไป บนเส้นทางของกุศลเรือกุศลบานคนเราบางคนเนี่ยมันก็เรียกว่ามีสัจจติกะปัญญาหมายความว่าวิชาระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานจิตของแกมาเป็นรูปของปัญญาบารมีพอเกิดมาถึงพอเจริญเติบโตเนี่ยเธอสามารถจะแยกได้ สามารถจะแยกได้เธออาจจะเรินเติบโตมาในท้ำกลางสาภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่พระธาข้างในนี่มันดีเป็นธรรมธาตุมันอยู่ข้างในนี่มันดีเขาเรียกว่าภูมิทั้นฐานโรคมันสูงภูมิจิตมันสูงมันก็แกล่งไม่รับเรื่องอะไรอย่างท่านยกตัวอย่างถึง สุบิสมมนสามเณรสุบิสมมนสามเณรพอเป็นพรามเป็นพรานนะนายพรานล่าสัตว์แม่ก็ฆ่าสัตว์ทุกวันแตะลูกชายอยู่ท่ามกลางอย่างนั้นแหละก็เห็นเหตุหการณ์อย่างนั้นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแต่ไม่เล่นด้วยพอชวนไปล่าสัตว์ก็ไม่ยอมไปแม่ให้ช่วยฆ่าสัตว์ก็ไม่ยอมฆ่าเรือเรือไปแอบปล่อยสัตว์ซะด้วย มันก็เกิดความขัดแยง้งพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับลูกอย่างนี้เด็กพูดก็ไม่รู้เรื่องในสุดลูกก็เบื่อการกระทําที่เป็นบาปของพ่อแม่เนี่ยมันมันให้ผลเป็นสุขระยะสันส้นๆแต่ว่าทุกตลอดการยาวนานเด็กก็เริ่มคิดในสุดก็ตัดสินใจออกบวชออกบวชเป็นสามเณรนะ แล้ในการต่อมาก็ปรากฏว่าพ่อตายสายําเทธไม่รู้ก็รู้ทีหลังก็อุธิศกุศลส่งไปให้แก่พ่อพ่อก็ไปตกนรกแต่ ว, ว่าอําลำพังอำนาจของกุศลที่สัมเนอุทิศไทนเนี่ยมันทำให้ไฟนรกไม่ร้อน แล้วก็มารดาเนี่ยลูกเมรดไม่รู้เลยตอนตอนแม่ตายแกเห็นเปลวไฟเป็นจีวรของสามมณนนีก็นึกถึงลูกเป็นสามมณขนน่คยก็ไม่ร้อนเช่นเดียวกันแต่ดุงก็ไม่ตกนรกนั้นเราจะเห็นว่ามันอาศัยตัวเองนั้นที่จริงไม่มีพื้นอะไรเท่าไรหรอกแต่ก็ได้ลูกดี และในที่สุดก็ทำให้ตัวเองได้รับอนิสงค์จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของลูกก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ที่เราจะมองที่คนอีกครอบครัวหนึ่งให้เราสังเกตนะครครอบครัวของพระพุทธเจ้ากับครอบครัวของพระนางยะโสธราพิมพา ครอบครัวของพระพุทธเจ้านั้นจบลงด้วยการบรรลุมรุญเป็นพระหานหมดยกเว้นพระชุมนีซึ่งที่องคตไปก่อนแต่การต่อมาก็บรรุมคลเป็นพระโสดา บ, บันนั่นก็แสดงว่าบารมีคือปัญญาบารมีนี่บำเพ็ญมาเยอะพระเจ้าสุตโธธนะแม้ตอนแรกจะไม่เห็นด้วยที่ลูกชายจะเป็นพระเจ้าจักรพรรด แต่เมื่อลูกแสดงความเชื่อมั่นออกมาอย่างนั้นพ่อก็ยินดีส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่เราะยังไงก็เอากันแล้วในที่สุดพระชาเริย์ตา ก, ก็บรรลุมากผลแต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในครอบครัวของพนงางยโสธราพิมพาคือนางนามิตาเนี่ย ประวัติมันไม่บอกไว้หรือแม่เนี่ยเขาไม่บอกไว้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันก็มีพระนางยโสถราพิมพาแล้วก็มีพระเจ้าสุภปุทธะแล้วก็มีเทวทัตคือเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มที่ใครก็ได้นะลูกชายก็เหลือกําลางลากทีเดียวบวชนพระพุทธเจ้ามาตลอด จนธรณีสุขไปในที่สุดเระเห็นว่าเทวทัตมันก็เริ่มที่ที่ฤทธิ์ียาที่แข็งดีที่ตีเสมอแล้วก็ที่โลกจักแข่งดีเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิราชภุมารท่านก็เป็นพระราชาภูมารเราก็เป็นพระราชาุมารเหมือนกัน เป็น ก, กษัตริย์เหมือนกันและที่สำคัญย่างยิ่งกิดิยานี่มันกระจายกระจายลงไปสู่เพื่อนฝูงที่บวชพร้อมกันท้าเหล่านั้นในแง่ความจริงเป็นราชกุ ม, มารทั้งหมดยกเว้นอุบาลีอุบาลีเป็นช่างกัรระบบแต่ว่าเป็นที่เคารพนับถือสภาของประชาชนเยอะเหลือเกิน แต่คนก็ไม่สนใจก็สนใจที่ความเป็นพระแในว่าเาที่วัดพระั้นเอาราชจะกุมารกับกษตริย์มาบวช ด, ด้วยหรือแทนที่จะบวชจะบวชเป็นพระเลยเป็นพระก็คือเป็นพระขณะเหล่านี้บางทีเป็นเรื่องน่ากลัวสมัยจะมาเป็นเป็นป ร, ริญญะตอนนั้นยังเป็นปริญญา ก็มีการประชุมเรื่องใหญ่เห็นว่าก็มีเงืยอย่อนไขอะไรอยู่เยอะเขากำหนดตัวเลขาธิการหรือผู้แทนแต่เลขาธิการก็เห็นว่าอาตมานี้น่าจะเข้าไปสุมได้ก็ขอให้แทนท่านขอให้ประชุมแทนท่านก็ต้องลงลว่าเราไปประชุมกับผู้ใหญ่เราไปประชุมกับผู้ใหญ่ แล้วก็มีการอภิปิายกฎหมายกันคุณยายทำไมพอใจที่เราไปอนุพิบายเลยกระบอกว่าแต่เท้าเวลานี้ทุกคนเนี่ยตรงนี้คือเป็นกรรมการตัวแทนกอพอก็เป็นกรรมการตัวแทนกฤีฑาเดียร์ก็เป็นกรรมการผมเองก็เป็นกรรมการก็ด้วยตําแหน่งก็ทำกรรมการเด้วยนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยเท่ากันนั่นแหละเท่ากันกับแต่เท้าซึ่งมี ธรรมนัสสักสูงแต่แต่ท้าต้องการจะประชุมกันด้วยเหตุผลแต่ท้าต้องไม่เอาตําแหน่งสมเด็จเข้ามาต้องไม่เอาตําแหน่งพระเทราเข้ามามเลยประชุมในฐานะกรรมการถ้าเงั้นท่านคนอื่นก็ต้องฟังโอวาทของแต่ท้าแต่แต่ท้าเองก็ไม่เคยอ่านกฎหมายนี่มาแล้วผมเองนะผมอ่านนะอ่านหลายเที่ยวแล้วผมคีด ประเด็นไว้หมดทูกประเด็นเลยท่านบอกว่ามันมันติดกันเพราะไม่ได้ติดมันไม่ได้ติดมาแต่ก่อนถ้าไม่ได้เป็นสมเด็จทันทีนี่นะแต่ันศักิ์นั้นก็หลุดไปเรื่อยๆกว่าจะตกลงกันได้ก็พู ก, กันหลายครั้งนะดูกันหลายครั้งมีสมเด็จองหนึ่งท่านโอ้โ ห, โหมารับแบบจะมากล้าหานสิกล้าพูดในที่ประชุมอย่างนั้น ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกรธเคืองอะไรเพราะตบเราก็กราบท่านนัแหละแต่ตอนประชุมมันก็คือเป็นกรรมาการกับกรรมาการแต่ตอนเสร็จเราก็คือพระผู้น้อยแล่ต้องกราบพระผู้ใหญ่จะปิดปากเราไม่อธิปบายได้อย่างนีน้มันเป็นเรื่องปัญหาขอ้อกฎหมายยื่นเชื่อกโนโลแล ร, รับผิดชอบมันเราจะเหว่าทวทัตมันก็มีรัตนายอย่างเนี้คือว่าแกมแบกความเป็นราชฎกุมาร แล้วกับความเป็นกษัตริย์เข้ามาด้วยในขณะเดียวกันก็ถือตัวว่าตัวเองเป็นพี่พัญญาของพระพุทธเจ้าในอดีตเราก็เฮมเกิลมันคิดผิดอะ่ะยึดติดอยู่ในตัวสมมุติทั้งหมดเลยแในความตํางัจแก่สมมุติว่าเป็นอน้าตาตัวตนก็ต้องการจะย้อนกลับเข้าสู่ความสมมุติแล้วก็ ให้เหนือกว่าพระพุทธเจ้าคือเสมอพระพุเจ้าก็คือดีเสมอต้องการเป็นพระพุทธเจ้าเสิพระเจากนั้นก็ลากลามปามกันไปอย่าที่รู้กันทีนี้พระเจ้าสุดโตเธพระเจ้าสุภพุทธะเนี่เราจะเห็นว่าท่านก็เริ่มที่ตัวสาคติคือไม่ชอบเจ้าชายทิตถะถึงว่าที่จริงก็อดีตก็คือราชบุตรเคย แล้วก็เป็นหลานชายนะเป็นหลานของมาเหสีคือทางมิตรดาแล้วท่าก็มองว่าแล้วชายทิฏฐะเนี้ยทิ้งลูกสาวของเราให้เป็นไม้ในขนณะเดียวกันพอลูกชายเราบวชก็ทําตัวเป็นเวนกับลูกชาย น, นั้นก็ท่านกุโมหาคติคือหมายความว่าโทสากติมันเกิดด้วยโมหะคติ มันคนละประเด็นการออกบวชของเจ้าชายเดชธานันเป็นที่ชื่นชมยินดีของพระนางเยโสถราในขณะเดียวกันการกระทำของเทวทัตแก่กระทำเองไม่ใช่พระพุทธเจ้ากระทำที่นี้ด้วยฉันถากติ้ดยความรักในลูกชายกับลูกสาวทำให้โทสากติทันแรง แ, แรงในพระพุทธเจ้า ผิดกัดหนทางไม่ให้พระพุทธเจ้ากับพระหันเดินบิธบาทธเจ้าก็รลบาสั่งว่าลุงของเราทำกรรมหนะจะต้องตกนรกถูกธรณีสูกภายใต้บันไดปราสาทภายในเจ็ดวันรู้ขึ้นมาแทนที่จะท่านทรนึกว่านี้คือพระพุทธเจ้าพูดนะไม่ใช่เจ้าชาติทตาพูด ท่านก็ไปได้ดูมินไอ้ยังเงี้ยคือกรวจว่าเพราะทิ้งลูกสาวแล้วก็เป็นเวรกับลูกชายก็รีบมาท้าทีท่าต่อยก็บอกว่าเอ้าทดสอบเจ้าชายทิตถะดูสิว่ามันจะตกนรกได้ยังไงวางแผนแบบโมหะนะฮะวางแผนแบบโมหะตัวเองเข้าอยู่ในปราสาท กางนักมวยมวยปล้ำตัวล่ำบึกบึกบึกขึ้นมาให้อารักขารอบบริเวณปราสาทสั่งเชียบขาดว่าภายใน7็ดวันนี้ถ้าเราจะออกนอกปราสาทพวกเธอต้องห้ามไว้อย่าให้ออกต้องปรับต้องจับต้องมัดอะไรก็ทำไปเถอะได้ปรากฏว่าไอ้กรเรนี่ยมันใครไปขัดขวางไม่ได้ เกิดมาประจำองค์คึกข น, นองอาลาวาดในวันที่เจ็ดใครเอาไม่อยู่ลึกสุดคนก็ไปกราบทูลใสนสงสาบพอกราบทูลใสนสงสาบก็ตัดสินประไทยออกมาอพวกนักมวยตั้าที่จ้างเอาไว้นี่ก็ยืนดูเฉยเลยแล้วพอถึงบันไดแกก็ช่วยผลักให้ลงไปด้วย ไอ้สุกตกลงไปก็สุกูุกทรณีสุกได้เห็นไหมว่ามันมันเริ่มที่โมหาคติกระทสากติเพราะฉันทากติในลูกสาวกับลูกชายแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้ลึกๆเนี่ยแกก็มีพยาคติอยู่หรอกคือลึกๆแกก็กลัวถ้าไม่กลัวเนี่ยก็คงจะไม่ต้องไปตั้งกองรักาขนาดนั้น นั่ก็แสดงว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันคืเสริมขึ้นเสริมขึ้นโดยการปรุงคิดคิดปรุงของมนุษย์เองเทวทัตก็ปรุงมาเองพระเจ้าสุปภ菩萨ก็ปรุงมาเองแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมันมีกิเลสเป็นตัวสิงจิตพูดง่ายว่ากิเลสมปนสิงจิต มีริจิยามีแข็งดีมีตีเสมอแล้วก็มีโทสะขนาดประทุสรายละสมมาะเิวัตวสุปาพุท t ก็มีโทสะมีโมหะแล้วก็มีความพอใจในลูกข้าวข้างลูกพูดไงว่าข้าวข้างลูกเราไม่ได้คำานึงถึงเรื่องเตววัตหรอก ว่าทำถูกทำผิดอย่างไงไม่ได้ดูที่ตัวกรรมแต่ว่าดูนี่คือลูกเราแล้วนัีนสุดก็จบรงอย่างนี้เพราะถ้าเรามองดูเราจะเห็นว่าตัวปัญหานี้มันมาจากกิเลสมาจากกิชชาทุกเรื่องหลยเรื่องใดก็ตามในพวกแนวกิเลตทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นนี้เช่นๆ เ, เอาสมมติเรเรื่องอบอา ย, อยามุกบาน มีข่าวที่นักเศรษฐศาสตร์เขาพูดกันในธรรมนองว่าก็ประมาณนี้แหละใต่มาสแรกจนเป็นสามาสสองนี่แหละคนจะว่างงานเป็นสแสนแสนไม่น้อยกว่าห้าแสนพอตกลกลงคืนก็ฟังเรื่องอไรนาะยกสมาคมพ่อค้าทองบอกว่าเวลาเนี้ย ช่างทองเนี่ยมันว่างงานไปร้านทองปิดไปห้าสิบร้านแล้วแต่ช่างทองไม่มีงานไม่ไม่มีงานทำเนี่ยเป็นหมื่นๆหรือโอกาสต่อไปก็จะเป็นยังไงไม่รู้นั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของกิเลสกิเลสเนียมันเกิดขึ้นนำความคิดสังคมเมื่อไร่แล้วมันยุ่งเมื่อนั้นแหะ ความคิดที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรกันเท่าไหร่ปัญนนหาเศรษฐกิจเนี่ยที่จริงไม่มียุคใดสมัยใดที่ไม่มีปัญหานเศรษฐกิจแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยเพราะตามปกติแล้วมนุษย์จะรู้สึกไม่พอนะี่ก็เรียกว่ายากจนกระยากจน ไอ้พวกยากจนก็ไม่ได้วิเคราะห์ถึงตัวเหตุที่ตัวเองยากจนเราไม่ได้มองว่าเออไอ้สิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันมีไหมในชีวิตประจำวันเรื่องที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยและสูบบุห ร, รีหรือเปล่าดื่เล้าหรือเปล่ากินกระทิงแดงหรือเปล่าเล่นการพนันหรือเปล่าเล่นหวยเบอร์หรือเปล่าอะไรต่างๆนี่จะเห็นว่าพอถึงจุดหนึน่งถ้าเรา พยายามปรับตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเศรษฐกิจของโลกหรอกเศรษฐกิจของเราเนี่ยอะไรที่เป็นรอยรั่วแล้วก็อุดมันเสียเมื่อความมาคายสินงเลนั้นเราไม่ตายหรอกทำยังไงชีวิตอยู่ได้มันก็อยู่ที่การปรับสภาพตัวเองปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้นอกจากเป็นเงือนไขสํำคัญสาคัญ แต่แน่นอนว่าถ้ารอยรั่วเราอุดได้เนี่ยรายเหลือมันก็เพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นรายได้ที่แฝงมากับรายเหลือนั่นเองเราก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆในรูปบรรเทานะฮะเด็ดขาดมันแก้ไม่ได้หรอกคนมันต้องหยุดการสนองงานของโลภะโมห ะ, มหะแล้วเราก็จะ ลดความรุนแรงของปัญหาศเศษรษฐกิจตรงไปได้แล้วถ้าเรามองให้ดีเราก็ยังมีโมหะอีกเยอะแต่พวกที่อยากจนมันก็ไม่ได้ถามตัวเองคุณจะเอาไปทำไมนักหนาแล้วอีกกี่วันคุณก็ตายแล้วถ้าคุณโลภไม่หยุดอย่างนี้ผลท้ายเนี่ยคุณก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ในโลก แต่คก็จะอยู่อย่างเดือดร้อนก่อนจะตายก็เป็นห่วงห่วงใหญ่เป็นห่วงแล้วก็ห่วงทั้งห่วงทั้งหวงนะฮะรับสมบัติขอนตัวเองแต่เราก็เอาอะไรไปไม่ได้วันจะเริ่มต้นที่กิเลสแล้วผลจะออกมาในลักษณะนี้เสมอดังนั้นที่ครูจ้าส่งสรุปว่ากองทุกทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ด้วยประการ การอย่างนี้ทั้งผูง้ังทั้งหลายสิ่งทรจากมาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุตไิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความจะเริยนงอกงามไปบูรณนธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเปทั่วกันสวัสดี